สิทธิ์สี่ชั่วคนโดยมึกตอนมึกสิทธิ์รุ่นสามจังหวัดอุดอรธานีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมากในภาคอีสาน มีพื้นที่กว้างใหญ่พอๆกับจังหวัดนครราชสีมามามีบทบาทในสมัยสงครามเวียดนามถูกใช้เป็นฐานทัพทางอากาศที่สําคัญความเจริญในจังหวัดจึงได้เริ่มต้นในเวลานั้นจากสนามบินที่ใหญ่โตกว้างขวางก็เกิดมีธุรกิจโรงแรมและพาณิชยกรรมอื่นตามกันเข้ามาขณะเดียวกับที่วัดป่าต่างๆมีพระปฏิบัติที่มีปฏิปทาเกร่งกลัดเป็นที่พักใจของคนทั้งหลายก็เริ่มเป็นที่รู้จัก บ้านตาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีไม่กี่หลังคาเรือนอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณสิบกว่ากิโลเมตรและอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเวลาที่เครื่องบินขึ้นหรือลงจะพอได้ยินเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึมถนนเข้าสู่หมู่บ้านตาดผ่านหมู่บ้านดงเคงเป็นถนนลูกรังเล็กๆกว้าง3เมตรผ่ากลางทุ่งนาขณะรถวิง่งฝุ่นฟุ้งม้วนตัวตามหลังรถกระบะย้อนกลับเข้ามาในรถ ทำให้ผู้โดยสารกลายเป็นคนผิวแดงผมแดงจากฝุ่นลูกรังที่ติดเต็มตัวเต็มหัวเต็มหูไปหมดแต่พอถึงฤดูฝนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นก็กลายเป็นทะเลคโคลนสีแดงสองข้างทางถนนเจิงนองไปด้วยน้ำรถลื่นถลตกถนนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทั้งเข้าและออกยังมีทางเชื่อมออกไปสู่หมู่บ้านและสถานที่ต่างๆมากมายเช่นภูฝอยลม ซึ่งเป็นภูเขาขนาดย่อมแบบเดียวกับยอดดอยที่เชียงใหม่ที่มองเห็นตัวเมืองอุดรที่สวยงามได้ผู้ฝอยลมเป็นชื่อเรียกภูเขาตามลักษณะของมันจากความสูงจะมีเมฆปกคลุมยอดเขาในฤดูหนาวอย่าเมื่อมีลมพัดละอองน้ำเล็กๆในเมฆก็จะเกิดเป็นฝอยละอองน้ำปลิวตามลมทําให้เปียกชื้นต้องใส่เสื้อผ้าร่มกันฝนและความหนาว เป็นภูฝอยลมที่หนุ่มสาวชาวอุดรใช้เป็นที่นัดพบสร้างสัญญารักระหว่างกันมามากต่อมากอยู่ห่างจากบ้านตาดไม่กี่กิโลในสมัยก่อนเส้นทางธุรกันดานมากแต่เดี๋ยวเนี้ยไปมาสบายถนนหนทางดีมากเป็นที่ท่องเที่ยวประจำเมืองอุดรผู้คนนิยมขึ้นไปเที่ยวกันเมื่อ เป็นชื่อเล่นของลูกชายคนเดียวของแม่เที่ยงแม่ครัวประจำวัดป่าบ้านตาดเกิดเมื่อปีพศ2505ตั้งแต่จําความได้หมึกก็คลุกคลีอยู่กับวัดซึ่งเพิ่งตั้งมาได้เพียงไม่กี่ปีหมึกและครอบครัวมีอัธยาศัยดีนิ่มนวลผมกับหมึกสนิทกันมากตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมบวชอยู่ที่วัดและต่อมาได้อาศัยบ้านของหมึกเป็นที่พักผ่อนและอาบน้าทุกครั้งที่ผมกลับมาเยี่ยมบ้านที่สองของผม คือวัดป่าบ้านตาดนี้บางครั้งผมพากันมาเต็มรถบัสนับเป็น2 0สถึงคนแถมยังอาศัยขอข้าวเขากินด้วยแม่เทียงและหมึกรวมทั้งพี่สาวและพ่อก็ให้การต้อนรับอย่างดีตลอดมาแม้เวลาจะผ่านมากว่า20ปีแล้วครอบครัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขอขอบพระคุณในความเมตตาและกรุณาไว้ณที่นี้ด้วย หมึกรับราชการเป็นรองผู้อํานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรส่วนพี่สาวเป็นครูอยู่โรงเรียนอุดรธรรมานุศรครอบครัวนี้อิ่มไปด้วยบุญและความไว้วางใจจากหลวงตามาจนถึงบัดนี้ตอนนี้ไปเป็นเรื่องที่หมึกเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับผู้ยังไม่เคยทราบความเป็นไปในอดีตที่น่าประทับใจของวัดแทนแม่เที่ยงที่ยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารถวายหลวงตาและใส่บาตรเช้าแม่เที่ยงหมึก และพี่สาวสืบทอดหน้าที่ต่อกันมาสามชั่วคนแล้ว